หลงเลยอเมื่อพร้อมแล้วเราก็จะได้เตรียมตัวจุดเทียนเคารพพระธรรมก่อนที่เราจะได้กล่าวคำวราธนารรมเพื่อให้พระพิสุส่งได้แสดงธรรมบนธรรมานในคำคืนนี้เมื่อพร้อมแล้วก็เรียนเชิญได้เลย พระมารดโลกที่ปฏิสัมภารการเฉลี่ยอันที่วารังอายชะชะสันติ a ะ จะไม่นั่งก็นั่งฟังไปเฉยๆให้เรานั้นทำใจให้สบายก่อนในส่วนของตัวอาตมานั้นก็บวชเข้าวงการนี้มาก็สิบปีบวชเมื่อปี2552อปัจจุบัน2562ก็สิบปีพอดีก็มาจากกรุงเทพเม่ ไม่ได้ศรัทธาในศาสนาเท่าไหร่เราไปทำบุญตามพ่อแม่พี่น้องญาติอะไรเข้าไปเพราะเราเรียนเราเรียนวิทยาศาสตร์เราก็จะเชื่อในเรื่องของหลักเหตุผลวิทยาศาสตร์แต่ในพุทธศาสน า, า, าเนี่ยพอเราเข้ามาเนี่ยมันก็เริ่มมีข้อมูลต่างๆเข้ามา ซึ่งมันขัดย้อนแยง้งย้อนแยง้งขัดแย้งกับที่เราได้เรียนมาในบางอย่างอย่างเช่นว่าเรื่องของกรรมฐานเรื่องของการปฏิบัติสมาธิเราก็อาจจะคิดว่ามั น, ม, นมีเหตุมีผลยังไงมันนั่งหลับตาเฉยๆแบบนี้แล้วมันได้อะไรต่สมัยในสมัยก่อนก็ไม่เข้าใจใเวลาบวชเข้ามามันต้องทำมันเหมือนเป็นหน้าที่ของพระ ที่ต้องทําหน้าที่โยมก็ต้องทํามาหาเลี้ยงชีพแต่หน้าที่พระชีผู้ปฏิบัติคนมาถือศีลเนี่ยก็ต้องทําว่าสวดมนต์เจริญภาวนาก็มันก็เลยต้องทําไปไอ้ น, นี้เนี่ยจากที่เราไม่เข้าใจอยู่ไปอยู่มาเนี่ยมันก็เริ่มเข้าใจมากขึ้นเพราะว่าเหตุผลคือโชคดีได้ครูบาอาจารย์ที่ดีก็คือหลวงพ่อหลวงพ่อปิชาท่านก็ได้สอน การสอนก็จะไม่เหมือนที่อื่นมันก็ตรงจรหลกกับเราพอดีเพ่งั้นเราคงอยู่ไม่ได้นานขนาด น, นี้ไอ้นี่เนี่ยพอเราอยู่มเนี่ยเราก็ต้องพยายามทำความเข้าใจกับมันก็เลยทำความเข้าใจพยายามที่จะค่อยๆเก็บเก็บข้อมูลแล้วก็ทำความเข้าใจไปเรื่อยๆระ ย, ยะเวลาเนี่ยสิบปีวันนี้เลยจะมาเทศมาบรรยายธรรมเนี่ย คืเปรียบเทียบก็อุป ม, มาบุปไมเหมือนเราทําวิจัยเหมือนเราทําวิจัยเรียนปริญญาโทรปริญญาเอกเนี่ยก็คือจะมีวิทยานิพนธ์สารานิพนธ์อย่างเนี้ยเนี่ยเราก็เหมือนเราทําสารานิพนธ์ของเราเองว่าเราจะเข้าใจไอ้หลักของทางวิทยาศาสตร์กับทางพุทธศาสนาเนี่ยที่มันบางอย่างมันไม่มีเหตุไม่มีผลเนี่ยได้อย่างไง อย่างยกตัวอย่างอะไอที่ไม่มีเห็นไม่มีผลเนี่ยอย่างบางทีเนี่ยเราอยู่มานานบวชมานานอ่านั่งสมาธิบางทีอาจจะมีอะไรที่มันแตกต่าอาจจะคนบางคนอาจจะเห็นนิมิตหรือนั่งแล้วได้เย็นโน่นนี่นั่นเนี่ยเราทําไปทํามาไอ้มันมีเรื่องแบบนี้ได้ด้วยเหรอก็ไม่เขา้าใจแต่พอเวลาไปถามหลวงพ่อที่ไรท่านก็จะบอกว่าช่างแม่มัน มีเกิดอะไรขึ้นจะได้ยินจะเห็นอะไรช่างมันเถอะปล่อยมันไปไม่ต้องสงสัยอะไรอ่าอันนี้ก็คือหนึ่งเหตุผลที่ยังไงตำราเนี่ยเขาก็จะบอกไว้ว่าไม่ให้มีตัววิจิตรฉาลังเลสงสัยอะไรต่างๆแต่ด้วยความเป็นนิสัยส่วนตัวของเราเนี่ยมันก็ช่างสงสัยอะก็เราเรียนมาแต่งี้ยวิทยาศาสตร์ทุกอย่างมันต้องทดลองได้ต้องมีเหตุมีผลมาอธิบายทุกอย่างมันต้องได้ ก็เลยอยู่มาแบบเนี้แหละแบบเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างบางทีเขาบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรพวกนี้ยมีจริงนู่นนี่นะั่นเราก็ต้องทํายังไงที่สูจนบางทีเขาว่ามีจริงเราก็ใช้วิธีไหนี่สูดเลยไปท้าเลยถ้ามีจริงนะแบบ น, นแบบนี้ก็ส่วนใหญ่มันก็มีเจอมัก็มีนะบางทีเจอถึงขั้นต้องแบบเฮ้ยแม่งมีจริงเหรอเนี่ยเรื่องแบบนี้ต้อไปจุดทูปขอเข้ามาก็มีนะแต่บางทีก็ไม่มี มันก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเราะฉะนั้นเนี่ยไอสาระนิพน์วิทยานิพน์เนี่ยเราก็จะอุปมาอุปไมยอธิบายขึ้นมาเป็นให้เหมือนญาติโยมหรือคนที่วัยรุ่นหรือคนที่ไม่เข้าวัดแล้วไม่เข้าใจเนี่ยเราจะเอาไอประสบการณ์ที่เราอยู่มา10ปีเนี่ยเหมือนมามิ x m i รวมรว ม, รวมกันเนี่ยวิทยาศาสตร์กับพุทธศาสตร์เนี่ยแล้วก็ยกตัวอย่างให้ให้เราเข้าใจ เหมือนเรื่องเรื่องหนึ่งเนี่ยเราก็ลองฟังดูรา้วใช้วิจรารณญาณวิเคราะห์แยกแยะดูว่ามันควรจะเป็นหรือเปล่าหรือมันน่าเชื่อถือได้ไหมก็อลองดูเนี่ยเราก็แต่งขึ้นมาว่าเหมือนชีวิตมนุษย์ของเราทุกคนเนี่ยที่ใช้ชีวิตมาเนี่ยเกิดขึ้นมาเนี่ยเหมือนเราเล่นเกมเหมือนเราเล่นเกมในคอมพิวเตอร์เกมในโทรศัพท์เนี่ยเกิดแล้วก็เล่นมาแล้วก็ตาย ตายแล้วก็มาเกิดใหม่เล่นใหม่แต่มันเป็นเกมชีวิตก็คือเรื่องของชีวิตจริงนี่แหละโดยที่กฎของเกมนี้ที่เราเกิดมาเนี่ยก็คือเล่นตั้งแต่เราลืมตาดูโลก ด, ดูโลกขึ้นมานับเป็นวันที่1นึงช่วงอายุของเกมเนี่ยมีประมาณ2 0 0 0 0กว่าวันโดยค่าเฉลีย่ยถ้าเป็นอายุก็ประมาณเ0็สิบ ถึงแปดปีในการเล่นเกมเนี้ยเกมชีวิตเราก็จะมีไกด์ไลน์ในการเล่นไกด์ไลน์คือข้อแนะนำในการเล่นอย่างที่เรามาฟังเทศฟังธรรมแบบเนี้ยว่าจะเล่นยังไงให้มันประสบความสมเร็จให้มันชนะโดยมันมีกฎอยู่กฎหนึ่งว่าทุกคนเนี่ยพอเริ่มเล่นเกมเนี้ยเกิดมาปุ๊บเนี่ยมันจะมีการ์ด เหมือนทุกคนจะมีการ์ดติดตัวมาใบหนึ่งอย่างที่หลวงพ่อออสมานัวนเทศที่ว่าแกจะตายไปเนี่ยแล้วแกก็นั่งทำแมชชีนไปแล้วก็เห็นเนี่ยฝั่งขวาเป็นความดีฝั่งซ้ายเป็นความชัว่วเหมือนกันเราเกิดมาทุกคนในเกมเนี้ยเกมที่เราต้องเล่นทุกคนเนี่ยมันจะมีการ์ดติดตัวรองมาใบหนึ่งแต่เราจะไม่เห็นมันจะมีคนเขียนอยู่ข้างหลัง ซึ่งเราจะไม่เห็นการ์ดนี้ซึ่งการ์ดเนี่ยเขาก็จะเขียนว่าตั้งแต่หนึ่งวันที่หนึ่งถึงสองมืนกว่าวันเนี่ยเราทำอะไรบ้างเราเจอใครบ้างแล้วเรามีปฏิสัมพันธ์อะไรบ้างเขาจะบันทึกไวห้หมดในการ์ดใบ น, นี้แต่เป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นแต่มีคนเขียนหเดังนั้นเนี่ยไอ้ไกด์ไลน์ที่บอกเนี่ยในการเล่นเกม ก็คือข้อแนะนําเนี่ยเขาบอกว่าข้อแนะนําถ้าจะเล่นเกมนี้ให้มันจบจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งเนี่ยจบแบบด้วยความเหมือนเราเล่นเกมเราชนะเนี่ยข้อแนะนําของมันคือเราต้องอิงในพพุทธศาสนาเรียกว่าสี่ห้าเราต้องอยู่ในสี่หแล้วเราถึงจะเล่นเกมเนี่ยจบโดยการที่เราเนี่ยหถึงสองหมืกว่าวันเนี่ยสมมุติว่า วันหนึ่งเนี่ยเราไปทำความดีม ไ, มอไอ้การ์ดเนี่ยมันก็จะเขียนว่าคะแนนเนี่ยเป็นบวกบวกในเรื่องของด้านความดีวันหนึ่งเนี่ยในวันหนึ่งเนี่ยเราไปทำความชั่วไอ้คนเขียนการ์ดของเราเนี่ยมันก็จะเขียนระบุลงมานเลยว่าเราทำความชั่วอะไรบ้างคะแนนเนี่ยมันจะเป็นลบนั้นเราลองคิดดูว่าวันหนึ่งเนี่ย ไม่รู้มันจะเขียนกี่บรรทัดแล้วเราคิดดูว่าสองหมื่นวันเนี่ยมันจะเยอะขนาดไหนมันจะจบที่ตรงไหนแต่พอทีนี้เนี่ยสมมติว่าเราเนี่ยเล่นเล่ น, เ ล, นเล่นไปพอเล่นเล่นเลนไปเนี่ยสมมติเราเล่นไปจนจบเนี่ยสองหมื่นวันลวเรียบร้อยอายุเจดสิบแดสิบพอเวลาเราเขาเรียกว่าตายไปก็คือเหมือนจบเกมเนี่ย เขาก็จะมีคนที่เอาการ์ดเนี่ยมานับคะแนนลงจ้องบวกลบคูณหาร ไ, ได้เท่าไหร่เราทําอะไรมาบ้างเนี่ยสมมุติว่าครบสองหมืนวันเนี่ยแล้วคะแนนมันเป็นบวกอ่าเราก็จะต้องไปเริ่มเล่นใหม่อยู่ดีอ่าแต่ในการเริ่มเล่นใหม่เนี่ยไอ้การ์ดเนี่ยเกิดใหม่ชีวิตใหม่เกมใหม่เนี่ยใบเดิมข้อมูลบางอย่างที่ เราบวกเราลบเนี่ยถ้ามันยังมีหลงเหลืออยู่หลงเหลืออยู่เนี่ยมันจะเอาไปต่อในเกมถัดไปก็คือในชีวิตครั้งต่อไปอะ่ะที่เราเริ่มเล่นใหม่โดยที่มันมีกฎอีกว่าเราเริ่มเล่นใหม่เนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามไอ้การ์ดเนี้ยเราดูไม่ได้แล้วมันก็ไม่รู้ด้วยว่ามันมีอะไรสลับอยู่มันมีจานเลอะไรไว้บ้างมันไม่รู้เหมือนมันเป็นกฎกฎของเกมเนี้ย โดยที่เขามีการบอกด้วยว่าห้ามสงสัยห้ามถามห้ามไปเหมือนไปยึดติดกับกฎของเกมเนี้ยเพราะใครยิ่งยึดตดิยิ่งสงสัยมากเท่าไหร่มันก็จะยิ่งติดอยู่แค่นั้นคือเล่นแล้วไม่ผ่านยิ่งติดมากมันก็เหมือนสตันมากสตันมากคือมันก็เกมเดินต่อไปไม่ได้มันก็จะง ง, งงอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นกฎมันเลยบอกว่าไม่ต้องรู้หรอกรู้แต่ว่ามันเป็นแบบนี้ย ชีวิตที่เราเล่นเนี่ยมันต้องเป็นแบบนี้สมมตว่าเราเล่นจนจบเนี่ยคะแนนเป็นบวกพอมาเกิดใหม่ชีวิตใหม่เนี่ยมันก็จะเขาเรียกภูมิเหมือนจากที่เกมที่แล้วเนี่ยเราเล่นรักษาอยู่ในศีลห้าที่เขาให้เนี่ยถ้ามันเป็นบวกเขาเรียกมันจะมาเกิดในเหมือนชีวิตที่มันดีขึ้นกว่าเมื่อคราวทีแว่แล้วอาจจะเกิดมารวยเกิดมาหน้าตาดีผิวพรรณผ่องใส อันนี้คือเหมือนเล่นเ้าให้แล้วเนี่ยแต้มผสมรวมแล้วออกมาแล้วมันได้บวกแต่เมื่อเล่นเสร็จแล้วเนี่ยในครั้งที่แล้วที่เราเล่นเนี่ยมันติดลบพอติดลบเนี่ยมันก็จะเกิดมาในพบที่ต่ําลงไม่เหมือนกับพบที่แล้วที่เป็นมนุษย์เนี่ยมันก็จะเป็นเรียกว่าพบที่ต่ําลงไปอย่างเช่นเป็นสัตว์ไปเกิดใหม่ในชีวิตใหม่เราก็จะเป็นสัตว์เป็นเดรชาเป็นเป็ดอสุรกายไป ถ้าเล่นเป็นบวกเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเทพเทวดาคงเนี่ยมันก็จะบวกบวกลบๆอยู่อย่างเงี้ยแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมนุษย์เจ0ดแปดสิบเปเซนเนี่ยเล่นแล้วพอขนสุดท้ายสอง0มนกว่าวันผ่านไปคิดคะแนนส่วนใหญ่มันจะติดลบเพราะอะไรมันก็เป็นกฎของเกมอีกว่าลบมันง่ายแต่บวกมันยาก่อย่างเราเดินเดินไปเนี่ย สองหมืนวันเนี่ยเราเดินไปหมื่นวันแล้วหมื่นวันนี่ก็อายุมาสามสิบกว่ามันก็จะมีเขาเรียกว่ามอนสเตอร์มอนสเตอร์คืออะไรก็คือไอ้พวกปีศาจที่มันจะดึงเราให้คะแนนมันลบๆๆ ล, ล, ลงไปเนี่ยก็คือกิเลส ต, ตัณหาราคะต่างๆมันจะโผล่มาในเกมแล้วก็จะมาล่อลวงเราให้ดึงเราให้มันได้คะแนนลบเพื่อสลักลงไปในการ์ดว่ามึงได้คะแนนลบไปนี และไอ์มอนสเตอร์พวกนี้มันมีอะไรมายุยยวนเราด้วยความหอมหวานความลปรดกลิ่นเสียงต่างๆเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่ทุกคนเนี่ยตกลุมพางมันทั้งนั้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมีบวกก็ต้องมีลบมีมอนสเตอร์ปีศาจพวกนี้ก็จะมีแองเจลก็คือเทพจะมีเทพเทวดาพรมในเกมนี้ด้วยคอยดึงเราขึ้นขึ้นขึ้นให้มันได้คะแนนบวกแต่มันก็น้อยกว่ามันทาได้ยากกว่า นั้นเนี่ยการที่เราจะได้คะแนนบวกเนี่ยถ้าเราลองมาวิเคราะห์เนี่ยที่เราทํานิพน์วิทยานิพนธ์สารานิพนธ์เนี่ยไอการที่มันจะได้คะแนนบวกเนี่ยส่วนใหญ่ที่เราสังเกตดูมันต้องเป็นการฝืนเขาเรียกว่าฝืนฝืนตัวเองฝืนกฎธรรมชาติฝืนทุกอย่างไอคะแนนลบก็ฝืนเหมือนกันนะแต่มันฝืนในการกระทําที่มันง่ายกว่ายกตัวอย่างเช่นไอการฝืนเพื่อจะให้ได้บวกเนี่ย อย่างเราทำไมถึงเราถึงเอาหัวข้อนี้ขึ้นมาเราไปดูพุทธประวัติประวัติของพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยก่อนที่จะสำเร็จเนี่ยก็ได้ไปนั่งอยู่ริมแม่น้ำมีแม่นางสุชาดาเอาถาดมาถวายข้าวมาอะไรพระเจ้าบอกว่าถ้าเกิดว่าอนาคตฉันจะได้สำเร็จพระโพธิญานเนี่ยไอถาดเนี้ยเอาไปวางในน้ำมันต้องฝืนธรรมชาติโดยการ ลอยทวนน้ำไปแล้วมันก็ฝืนจริงๆนะฝืนธรรมชาติลอยทวนกลับไปแล้วก็ตกลงไปจนพยายนามตื่นขึ้นมาอะไรประมาณนี้อันนี้คือพุทธะบวชดฉะนั้นเราเลยคนมันนั่งพิจารณามองดูเออวะในการกว่าจะได้คะแนนบวกเนี่ยมันต้องฝืนทุกอย่างจริงๆเหมือนเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ย9ก้าวันเนี่ยเรามาเก็บแต้มคะแนนบวกฝืนแม้กระทั่งตื่นอะ ต้องตื่นตีสามตีสี่อ่ะปกติมันไม่ใช่คนเรามันก็ไม่ได้ตื่นเช้าขนาด น, นี้ไอ้นี่การฝืนในด้านบัวกคือฝืนในการทําความดีอย่างเราจะมาทําแจกทานทําอะไรแบบเนี้ยมันก็ฝืนทั้งนั้นแหะฝืนตรงที่ว่าปกติดําเนินเกมไปมันก็คืออยู่ในเขาเรียกอะไรนะปัจจัยสี่อย่างของมนุษย์กินที่ปี้นอนขอโทษอาจจะพูดไม่พอในทางพระเรียกว่าเศษ อันนี้คือธรรมชาติของเกมเราลองคิดดูดิกินตื่นมาวันแรกเลยมันก็ล้องกินแล้วกินเสร็จมันก็ขี้โตขึ้นมาก็เสพกินขี้ปี้นอนปี้เยคือเสพอันนี้ขออนุญาตจริงๆพูดไม่เพาะแต่ให้มันเข้าใจง่ายหลวงพ่อเคยบอกว่าทําไมคนมันถึงเสพกันได้เพราะ่มันเกิดมาจากกรรมคนเราเนี่ยเกิดมาจากกรรมของพ่อและแม่มันก็เป็นเหมือนสัญญา ก, กรรมมา มันก็จําได้เองมันก็เสดกันเป็นเรื่องปกติเนี่ยก็คือเป็นกรรมต่างต่ามันเป็นธรรมชาติของมนุษย์พอเสร็จแล้วอะไรเสร็จแล้วนอนเนี่ยถ้าเราดำรงอยู่ในศีลห้าในศีลห้าคือรักษาศีลเล่นเกมนี้จนจบเนี่ยคะแนนยังไงมันก็ไม่บวกไม่ลบคลิปวิเคราะห์ อ, ออกมาก็อยู่ภูมิเดิมอาจจะได้กลับมาเล่นใหม่เกินใหม่เป็นมนุษย์แต่พอเวลาเราลองคิดดูดิถ้าเราฝืน ใช้แบบฝืนเหมือนมาถึงเนี่ยอ่ามันก็จะมีฝ่ายมอนสเตอร์ปีศาจใช่ไหมเอาอะไรมาล่ออย่างเช่นเสียข้อห้าก็ได้เอาเหล้ามาล่อเอาสิ่งมึนเมามาล่อซึ่งเจ็ดสบแปดบเปอร์เ็นโอ้เวยเสพแล้วมันเพลินกินเหล้าแล้วเมาแล้วสนุกโอ้โหมันวะโดนซะก็คือติดลบไปแล้วผิดสิอ่าทำให้เกิดเหตุของบาป ก, กรรมต่าง ซึ่งมันก็เป็นการฝืนธรรมชาติอยู่ดีแต่ฝืนในทางด้านลกไงอ่าเหมือนเขามีให้น้ำให้กินแต่เราไปเอาสารแอลกอฮอล์สารตัดเพื่อดอะไรพวกนี้เข้าร่างกายเนี่ยไอ้พวกปีาศาจมันเอามาเสนอให้เพื่อให้เราติดลกอ่าอย่างฝืนข้อสามเนี่ยอย่างกินขี้ปี้นอนใช่ไหมเราก็ตามหลักสิ่ห้าก็มีผัวเดียวเมียเดียวอ่าแต่เราฝืนยังไง กูมีฝัวเดียวเมียเดียวไม่พอกูฝืนธรรมชาติมีเยอะเข้าไปอีกเกินเกินก็ติดลบไปอีกก็เป็นผลให้เกิดบาปเกิดกรรมไปอีกเนี่ยแต่ถ้าเราจะฝืนทางบวกเพราะพุทธเจ้าบอกว่าทํำยังไงให้เราเนี่ยอยู่โดยที่เหมือนเลิกขยายเผ่าพันธุ์หดเผ่าพันธุ์หดเผ่าพันธุ์เนี่ยเพราะอะไรเพราะสมมติเราฝืนกดของข้อเนี้ข้อการใช้ชีวิตข้อเสกันเนี่ย ลดลงมาก็คือเหมือนพระชีอุมาโสวาสิกามาบวชห้ามมีการเสพกันเนี่ยมันก็จะเหมือนฝืนไปในทางเพื่อให้ได้คะแนนบวกแต่มันเป็นการฝืนธรรมชาติของมนุษย์นะฝืนข้อกินขี้ปี้นอนนะเพราะอะไรไม่ให้มีการเสพกันโดยที่เราจะฝืนไอ้สัญญากรรมตรงนี้ฝืนได้ยังไงแต่ทำไมถ้าเราฝืนได้มันถึงจะเป็นคะแนนบวกเราลองวิเคราะห์ไปอีก สมมตเราเนี่ยเล่นเกมไม่ได้เล่นคนเดียวนะเราเล่นกันทั้งโลกเรามีการ์ดกันคนละใบเกิดมาเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยเราเจอคนขี่คนเรามีอย่างที่บอกปฏิสัพพันธ์ทำอะไรกันบ้างมาทะเลาะตกตีกันด่ากันสาปแช่งกันอ้าวเจอกันอีกแล้วคะแนนติดลบผิดสียงข้อไหนข้อสองพูดไม่ดีมาเข่นฆ่ากันมาเจอกัน เขียนลงไปในการ์ดเลยมึงฆ่ากันติดลบพอเสร็จปุ๊บไอการ์ดพวกนี้มันก็ไม่โดนลบไงพอตายไปเล่นเกมนี้จบไปมาเกิดใหม่ข้อมูลในการ์ดยังอยู่มันบอกว่าคราวที่แล้วเกมที่แล้วเนี่ยมึงสองคนทะเลาะกันแต่มึงไปตีเขาพอมาเกิดใหม่ไอการ์ดเนี่ยมันก็ต้องทํางานลงมันพ <อ S 1> เพื่อมันจะหักลบแต่ไปเรื่อยมันก็เลยเกิดมาเจอกันใหม่อีก แล้ว ก, ก็ต้องให้อีกคนที่โดนมาตีคืดเพื่อมันจะได้หักลบคะแนนกันไปคนก็ไม่เข้าใจในตรงนี้ว่าทำไมเกิดมากูต้องมาเจอคนนี้วะทำไมกูต้องมาโดนมันทำร้ายกูวะก็เพราะในการ์ดของเกมที่แล้วมึงมีไงมึงไปทำเขาแบบนี้แต่เราไม่รู้ไงแต่คนที่จะไงาการ์ดได้ไงเพื่อให้รู้ได้ไต้องเป็นบุคคลพิเศษ คนที่ปฏิบัติจนมียานชาญขั้นสูงเนี่ยเขาสามารถเจอเราแล้วก็เฮ้ยกูง่ายการ์ดมึงมาดูกูบอกให้ว่าการ์ดมึงเนี่ยมึงทําอะไรไง้เขามาเพราะฉะนั้นมึงก็ต้องชดใช้ได้แบบนี้อะไรแบบเนี้ยมันก็เป็นการฝืนธรรมชาติไปอีกนะพอฝืนไปไอ้คนหงายซวยไปอีกได้คะแนนติดลบไปเพราะไปยุ่งกับการ์ดของคนอื่นในปัจจุบันเขาเรียกไปยุ่งกับกรรมของคนอนื่นอย่างเนี้ย เขาเลยบอกว่าทำยังไงเนี่ยมันถึงจะเล่นเกมนี้จบเขาก็เลยบอกว่าก็เล่นให้มันตามไกด์ไลน์ตั้งแต่ต้นนั่นแหละเล่นไปในตามคำเสนอแน่เลยรักษาอยู่ใน4ห้าเล่นให้มันจบโดยให้ในที่สุดแล้วเนี่ยคะแนนมันเป็นบวกไว้่อนคือไม่มีคะแนนติดลบอะเผื่อเราต้องเล่นใหม่เล่นใหม่จะได้เกินมาในภูมิที่ดีขึ้นได้เปรียบชาวบ้านเขา แต่ถ้ายิงยงย่งเล่นยิ่งล็อกยิ่งเล่นยิ่งล็อกนี่ก็ไม่เห็นหนทางว่ามันจะกลับมาเหมือนตอนเริ่มแรกซึ่งเป็นมนุษย์เนี่ยไม่รู้เมื่อไหร่ก็จะเป็นเตดสัตว์ในราชาอย่างไอ้กิ้เนี่ยเมื่อกี้หมาเนี่ยมันก็คงเคยเล่นมาเหมือนกันแหละแต่มันก็เล่นล้ติดล็อกไงเยลยเกิดมาเป็นสัตว์ในราชาแต่ในกาส์มันอ่ะคงมีคะแนนบวกมันเลยได้มาอยู่ในสถานที่แบบเนี้ มีคนเอาอาหารให้กี่หูเราเห็นนะทางไปกดพะนกเนี่ยมีอาหารวางทุกวันเลยตอนแรกเขาเอาเอามาทำอะไรวะเลี้ยงผีหรือเปล่าก็ไม่ใช่มารู้ที่เราโอ้ยเลี้ยงไอ้กีนะ้ทั้งชีทั้งโยมนะทุกคนรักหมดนั่งแปลว่าในการ์ดมันคงมีคะแนนบวกอยู่แต่มันก็บอกกันพูดกันยากเพราะแต่ละคนมันการ์ดมันไม่เหมือนกันแต่มันมีใบเดียวบางคนนะ เล่นไปเล่นมาฟังเราแล้วเนี่ยเกิดความแบบเขาเรียกว่ามันปงอะ่ะดวงตาเห็นทาบอกแม่งแล้วเมื่อไรกูจะจบเกมนี้สักทีกูเลิกขี้เกียจเล่นแล้วเกมเนี้ยทำยังไงเพราะเดี๋ยวพอคะแนนบวกกูก็ไปเกิดเป็นเทพเทวดาพรมพอเฉลยสุขด้านบวกหมดกูก็ต้องกลับมาเกิดตรงมนุษย์ใหม่อีกแล้วแล้วกูก็ต้องเผื่อกูเกิดมาท่านนี้คะแนนติดลบสวยไอปอีก แต่เกิดเป็นสัตว์อีก <c oughs> เกิดปิชาติต่อไปลบไปอีกโอ้โหแล้วเมื่อไหร่กูจะกลับมาบวกแล้วกดมันก็มีบอกว่าบวกแค่ไหนอ่ะมันก็ยังไม่จบมันจะมาจบที่ตรงกลางก็คือในภูมิที่เป็นมนุษย์อ่าเพะนั้นเนี่ยพอเนี่ยคนก็ไม่รู้ไงก็ไม่เข้าใจกันเยอะว่ากูจะเลิกเล่นเกม น, นี้ได้ยังไงอ่าวิธีการเลิกเล่นเกม น, นี้ทํางไงก็คือเล่นตอนที่ เราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเล่นและให้มันไม่มีบวกไม่มีลบเลยเหมือนเราอาจจะมีติดลบจากใครก็ไม่รู้เราไปทำอะไรมีสร้างกรรมกับใครไว้ไม่รู้เกิดมาชาตินี้ก็แก้แก้แก้แกจะไอ้ลบให้มันเป็นบวกเป็นศูนย์ใเราอาจจะมีคะแนนบวกเราก็ได้สเสวยบุญได้อะไรเนี่ยมันก็ใช้ใ ช, ใช้มาก็เป็นศูนย์จนในที่สุดแล้วเนี่ยถ้ามันจะมีกฎข้อหนึ่งบอกว่าถ้า การที่คุณจะหลุดพ้นจากเกมนี้ได้ต้องทำยังไงเล่นจนไม่มีบวกไม่มีลบอ่ะกรรมกับใครก็ไม่มีแล้วบุญกุศลบวกอะไรในคือทุกอย่างคือเป็นศูนย์เขาเรียกว่าอะไรเรียกว่าเหมือนตักหมดแล้วไม่ยุ่งกับใครแล้วใครจะเดินไปในวันที่สองหมืนเนี่ยมีคนมาด่า ว, ว่าเราเนี่ยกูไม่คิดอภุศลอะไรกับมันแล้วแต้งลบกูก็ไม่เอา มีใครมาเชือนชมยินดีกูก็ไม่ยึดติดไม่แต่โอ้ยกูรักมึงมากเลยมึงมารักกูเช่นชมกูปวกกูก็ไม่เอาอีกศูนย์ให้หมดถ้าศูนย์เมื่อไหร่เนี่ยเท่ากับว่าเกมโอเวอร์ Over, ไม่ต้องเล่นแล้วเกมนี้จะจะเปรียบเทียมในทางพุทธศาสนาเขาบอกวา่านิพพานนิพพานคือตัดหมดทุกอย่างแล้วไม่มีกิเลสตัณหาคโกรธก็ไม่โกรธเกียรก็ไม่เ ก, ก, กียด ไม่รู้สึกอะไรคือวางเฉยไปหมดแล้วอันเนี้ยก็คือจบเกมไปก็คิดว่าอธิบายมาเล่ามาถ้าตั้งใจฟังหลายๆคนที่เคยไม่เข้าใจแบบเราเี่ก็น่าจะเข้าใจมากขึ้นเพราะเราใช้ประสบการณ์ตั้งสิ์ปีในการรวบรวมสาระนิพอนชิ้นนี้ขึ้นมาถูกไหมอ่าแต่ถ้าเราจะสอนลูกศิษย์สอนญาติโยมอ่ะมึงเล่นยังไงก็ได้ให้ เกมต่อไปมันเป็นบวกไว้ก่อนได้เปรียบทํายังไงก็ได้ไม่ต้องไปแบบเล่นจนแบบโอ้โหกูจะเบื่อแล้วฟังแล้วเข้าใจกูไม่อยากเล่นแล้วเกมนี้มันยากดังนั้นเนี่ยทําให้มันคะแนนมันบวกบวกไว้ก็พอโดยที่เราายการ์ดเองไม่ได้ไงเราก็มานั่งอูกเกิดมาจนถึงอายุสี่สิบมื่นวันแล้วจําไม่ได้เลยวันหนึ่งมีกี่เหตุการณ์จําอะไรไม่ได้ทั้งเส้น เพรานั้นพอมาฟังเทศฟังธรรมต่อไปนี้กูมไม่สนใจละเคียร mm hmm. มันจะรู้ไม่รู้ไม่เป็นไรแต่กูเก็บแต้มบวกอย่างเดียวพอหรือมันจะมีลบมันยังไงมันก็ต้องมีหลุดมาแต่จากวันนี้ไปกูต้องบวกทุกวันเพื่อชดเชยเองวันผ่านๆมาหมื่นวันที่คุณเล่นมาโดยที่ไม่มีใครมาสอนเราแบบเนี้ก็หวังว่าน่าจะญาติโยมคงจะเข้าใจมากขึ้น แล้วก็สามารถเอาไปประยุกตปฏิบัติตามได้มากขึ้นตามหลักสติปัญญาที่ได้ฝังในวันนี้ก็คงจะพอแค่นี้แหละเียมันจะเยอะกันไปก็ขออา น, นิสงส์ในการที่ญาติโยมได้มาปฏิบัติธรรมด้วยจิตใจอันบริสุทธิ์อันตั้งใจเนี่ยก็ขอให้ท่านได้บุญได้อา น, นิสงส์มีแต้มบวกเยอะ ในการ์ดของเราเนี่ยเยอะก็ เ, เจริญพรนี่อันนี้แหละ สาหลังเอวะเมวะอิตทินังเตตานังอุปกาปเตอิชิตังปฏิตังตุมหังหิปเมวะส ม, มิชตูสพเพบรเลนตุสังกะปาจันโทปนรารโสยัาถามานิโชเตรโสยาทาสัสเปตโยวิวชัชนตุสัพะโรโควินัสตุมา เตพาวัตวันตารโยสุขีทีขายยโกภาวะอภิวาธนาเซฤสนิจังวุธาปจายโนจัตารโรธรมาวทันเตอายุวันโนสุขังพระลัง